คือสุดท้ายของสัมเนรและศิลจาริณีนะที่มาบวชเนรภาคฤดูร้อนกี่วันแล้วนะที่พวกเราได้มาฝึกปฏิบัตินะในครามนในเพศ น, นักบวชยนะี่สิบสามวันนะทานับตั้งแต่วันที่ยี่สิบใช่อืมพรุ่งนี้คือวันที่ยี่สิบสี่ 23สิบสาวันนี่ก็ไม่ใช่เป็นเวลาในน้อยเลยนะแล้วก็เป็นวิสยี่สิบสามวันที่พวกเราได้ผ่านประสบการณ์ที่เข้มขน้นในจะต้องตื่นเช้านะบางคนก็ไม่เคยตื่นเช้าขนาดนี้นะสี่สี่สสี่ครึ่งแล้วก็ต้องมาใช้ชีวิตนะอย่างเรียบง่าย อาหารที่กบฉันก็ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องนะสุดแท้แต่ว่าทางแม่ครัวพ่อครัวเขาจะทำอะไรให้เรากินมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นจะไปหาซื้อจากที่อื่นตามห้างตามร้านก็ไม่ได้นะแถมน้องหดเท่าเย็นอีก แล้วก็ตลอดทั้งวันก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่เราอาจจะไม่คุ้นแล้วก็บางคนก็อาจจะไม่ชอบัแทนที่จะได้เที่ยวได้เล่นนะได้อ่าดูหนังฟังเพลงเล่นเกมออนไลน์นะก็ต้องมาทํากิจกรรมหลายอย่างบางครั้งก็ต้องเดินตัดแดดโนะดยเพราะช่วงที่ออกไป ป่าสะพุงเหนือนะคงเป็นครั้งแรกในชีวิตของหลายคนนะที่นอกจากจะได้เข้าป่าแล้วก็ยังต้องไปเดินตากแดดนะแดดมันร้อนมากนะแต่พวกเราก็หลายคนก็ดูเหมือนจะไม่รู้สึกสะทกสะท้านเท่าไหร่นะไม่รู้สึกร้อนใจเท่าไหร่ถึงแม้ว่าร้อนกาย เป็นเพราะว่ารู้สึกสนุกนะักบการที่ได้เรียนรู้สิ่งแปล ก, ปล ก, ปลกใหม่ๆช่วงสามทิตย์ที่ผ่านมาที่นี่ก็ร้อนมากนะแต่ทั้งสามันเนและก็ศิลจเรนีก็ก็อยู่นะกับอากาศที่ร้อนได้ถ้าที่บ้านนี่ก็คงจะหลายคนก็คงจะอยู่ในห้องแอ หรือมีเะนั้นก็เปิดพัดลมเป่านอนเล่นนั่งเล่นแต่ว่าที่นี่เราก็ต้องทำกิจกรรมร่วมกันไม่ใช่แค่ทำวัดสวดมนต์บางทีก็ต้องทำอาหารด้วยกันหลายคนนะไม่เคยนะไม่เคยติดไฟเนี่ยก็มาคราวนี้ก็ได้ติดไฟเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ได้หุงข้าว นะด้วยน้ำมือของตัวเองเป็นไงอร่อยมากกินได้หรือเปล่านะถึงแม้มจะไม่อร่อยนะแต่มันก็ทําให้เราภาคภูมิใจนะว่าเป็นเป็นอาหารที่เกิดจากน้ำพล้าแรงเกิดจากฝีมือของเราและทําไมอร่อยเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งนะมันทําให้เราทราบซึ้งในรสชาติของ อาหารที่พ่อแม่ปรุงให้หลายคนเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยก็บนว่าพ่อแม่ปรุงอาหารแม่อร่อยนะพอมาอยู่ที่นี่เลยพอได้ออกไปค้างแรมในป่าเนี่ยก็จะรู้เลยนะว่าอาหารนะ่ะที่พ่อแม่ปรุงให้เรานี่มันอร่อยมากนะถ้าไม่ออกมาที่นี่ไม่ออกป่านี่นก็ไม่ไม่รู้นะว่าที่บ้านเนี่ย สุขสบายแค่ไหนนะตอนที่อยู่บ้านแต่ลวคนก็บนไม่ดวกอย่างนี้ไม่สบายอย่างนั้นเรียกร้องต้องการหลายอย่างนะมาที่นี่แหละนะถึงจะได้รู้ว่าที่บ้านนี่เราคือสวรรค์ถ้าเราไม่ออกมาเราไม่รู้หรอกนะว่าอยู่บ้านเนี่ยสะดวกสบายอย่างไรบ้างแต่ถึงแม้จะอยู่ที่นี่ไม่สะดวกสบายนะ ก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็ได้สัมผัสกับความสุขหรือความสนุกไอ้ความสุขหรือความสนุกนี่มก็ทําให้เราลืมนะลืมความยากลาบากได้แดดจะร้อนนะเห็นเนนหลายคนศิลจรณีหลายคนก็ไม่ได้รู้สึกอนาถรร้อนใจเลยร้อนแต่กายนยีแต่ใจไม่ร้อนเพราะว่าสนุกกับกิจกรรมนะนี่เราเรียนให้เราพิจารณานะว่า ความสุขหรือความสนุกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะหาได้ยากนะมันก็อยู่มันก็สุขอยู่ในนะความยากลําบากนั่นแหละอยู่ปลา น, นี่มันสบายอามันยากกว่ามันลําบากกว่าอยู่บ้านเยอะแต่ว่ามันก็มีรสชาติที่หลายคนคงจะประทับใจนะเพราะว่าได้สนุกนะได้เล่นน้ําแล้วก็ได้ ทำหลายหายหลอย่างบางดีความสุขหรือความสนุกมันก็อยู่ท่ามกลางความยากลำบากนั่นแหละในทางตรงค่าแม่สบายแต่มันไม่มีความสุขก็ได้นะแต่ถ้ามองให้เป็นนะเราก็เห็นสุขได้ทุกที่หอย่างที่บอกไว้แล้วว่าในช่วงที่เรามาบวชที่นี่ไม่ว่าจะนุ่งเหลืองหรือข่มขาวนะ เรามาเพื่อที่จะเรียนรู้เรามาเพื่อที่จะฝึกฝนตนและขึ้นชื่วาการเรียนรู้และการฝึกฝนเนี่ยมันต้องยากลำบากนะแต่ว่าฝนนี่มันก็บอกอยู่แล้วนะฝนเนี่ยปกติเราใช้ฝนเนี่ยกับเวลาฝนมีดนะมีดมันจะคมได้เนี่ยเราก็ต้องฝนกับหินและหินนั้นมันก็ต้องสางนิดหน่อยเนี่ยถ้าหินมันเรียบ เป็นกระจกเนี่ยการฝึกฝนก็ไม่ได้ผลมีก็ไม่คมนะมีจะคมได้เนี่ยมันต้องผ่านการฝ น, น, นกับหินที่มันสักษาบมันฝึกๆก็ทำให้มือใบมีนิคมขึ้นมาได้เนี่เรามาอยู่ที่นี่เนี่ยก็ต้องเจอความยากลำบากต้องมันจะช่วยฝนฝนปัญญาของเราให้เฉียบคมทำให้จิตใจของเราเนี่ยนะเฉียบแหลม นอกจากาว่าฝึกฝนแล้วเนี่ยนะมันมีคํานึงนะคืออบรมนะอบรมบ่มนิสัยคาว่าอบคําว่ารมคาว่าบ่มเนี่ยมันก็บอกถึงความร้อนนะเราอบนะเตาอบนิสบอกอยู่แล้วว่ามันร้อนนะอบขนมปังก็ต้องใช้ความร้อนลมก็เหมือนกันนะลมเนี่ยลมควันเนี่ยมันก็ร้อนบ่มนี่ก็ร้อน ข้าวเนี่ยถ้าไม่ใช้ความร้อนนะมันก็เป็นข้าวดิบกินไม่ได้ผลไม้ถ้าไม่บ่มนะมันก็ยังดิบนะต่อเมื่อบ่มแล้วเนี่ยมันก็จะอร่อยนะบ่มมะม่วงนะบม่มผลไม้หลายอย่างลมก็เหมือนกันนะลมควันก็ทำให้อาหารเนี่ยมันดูน่ากินมากขึ้น ของมันจะดีได้เนี่ยมันต้องผ่านการอบการรมการ บ, บ่มหรือการต้มนะคือต้องเจอความร้อนอคนเราก็เหมือนกันนะคนเราเนี่ยจะพัฒนาได้นี่จะมีความเปลี่ยนแปลงได้เนี่มันต้องผ่านความยากลําบากนะและความยากลําบากอย่างเนื้คือการอยู่ท่ามกลางความร้อนนะพวกเราก็มาได้เจอความร้อนนะของ อภาคอีสานหลายคนก็จะบน่นอ่ามันร้อนเหลือเกินแต่ก็ให้รู้เถอะว่านะมันกาลังฝึกให้เราเข้มแข็งถ้าเราอยู่ในห้องแอร์ทั้งวันเนี่ยจิตใจเราก็อ่อนแอแถมร่างกายก็จะอ่อนแอตามไปด้วยแต่มาอยู่แบบนี้เนี่ยใ้ความร้อนที่มันอบเรามันทําเราเข้มแข็ง เช่นเดีก ก, กิจกรรมที่อาจจะยากลําบากต้องตื่นแต่เช้าไม่ชอบเลยต้องมานั่งสมาธิเจริญสติไม่ชอบเลยนะต้องทํากิจกรรมช่วยเหลือทํางานร่วมกับมู่มิตรก็ไม่ชอบเลยแต่สิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยมันก็สามารถจะฝึกฝนให้เรานะมีปัญญาหรือว่าอบรม บ่มจิตใจของเราให้เข้มแข็งให้รู้จักคอยให้รู้จักอดทนให้รู้จักอดกลั้นต่ออารมณ์รวมทั้งรู้จักเสียสละในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันจะมีคุณประโยชน์กับเรานะนะไม่ต้องรอถึงตอนโตแต่ว่ามันสามารถจะมีประโยชน์กับเราตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลย ทั้งหมดนี้เนี่ยนะเป็นส่วนอของการศึกษานะการศึกษานี่มันไม่ได้แปลว่าต้องไปโรงเรียนต้องเข้าโรงเรียนต้องเรียนหนังสือนะเรามาศึกษาด้วยการฝึกกายวาจาใจและการบวชนะมันก็เป็นโอกาสที่เราได้นะได้เรียนรู้ได้เปลี่ยนแปลงตนเอง ทำให้เราเป็นผู้ที่มีการศึกษาครบถ้วนไม่ใช่แค่สมองโตก็มีก็เรียนอ่อานตำรับตำราบางมากแต่ว่าไม่ช่วยทำให้ใจเราใหญ่ขึ้นด้วยนะสมองโตความรู้เยอะแต่ใจแคบอ่อนแอนี่ไม่เรียกว่าเป็นผู้มีการศึกษานะแล้วก็หวังว่าจะมีอนาคตที่สดใสก็คงยากแนะ่ะ นะหัวโตวความรู้เยอะนะถ้าจิตใจอ่อนแอไม่เข้มแข็งใจเล็กใจแคบเนี่ยบางทีเอาตัวไม่รอดนะเคยดียินไหมความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดเนี่ยคนที่ความรู้ท่วมหัวคือหมายว่าสมองโตนะแต่ว่าใจเล็กใจแคบใจอ่อนแอ คนเราเนี่ยนะจะเอาตัวรอดได้จะมีชีวิตอนาคตที่ดีได้เนี่ยจิตใจก็ต้องเข้มแข็งไม่กลัวความยากลําบากนะเจอกัรบ้านยากๆ ก, ก็ไม่ยั่นไม่กลัวพร้อมที่จะทํางานหนักนะพร้อมที่จะอพากเพียรอุตสาหะแล้วขณะเดียวกันก็ต้องเข้มแข็งนะไม่ ไม่อ่อนไหวหรือไม่ยอมแพ้แต่สิ่งที่มายุ่ยยวนสมัยนี้นักเรียนอย่างพวกเรามีสิ่งยุว่ยยวนเยอะนะที่จริงมันยุ่ยยวนทั้งผู้ใหญ่ด้วยแหละเกมออนไลน์นี่ก็ส่วนนึงละนะการเล่นสนุกสนานนะอินเทอร์เน็ตนะสมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้มันยุ่ยยวนให้พวกเราเนะี่ยอย่างพวกเราเนี่ยนะ ไม่เป็นอันทาอะไรนะเอาแต่ก้มหน้าหนังสือก็ไม่เรียนนะการบ้านก็ไม่ทำเอาแต่ก้มหน้าดูเล่นสมาร์ทโฟนเล่นโทรศัพทนะ์เล่นเกมนะี่ถ้าไม่มีจิตใจเข้มแข็งนะมันก็ยอมแพ้ต่อสิ่งยั่วยนแบบนี้แหละและต่อไปก็ยอมแพ้แต่อย่างอื่นยอมแพ้จากอย่างอื่นด้วยนะบางคนก็ อยากได้โน่นอยากได้นี่อยากได้แท็บเลต็ตอยากได้พาวิตเตอร์นะอยากได้กล้องราคาแพงหลายหมื่นอยากได้รองเท้ากีฬานะครื่องอ่คู่ละเป็นพันอยากได้เป็นหมดเลยนะถ้าไม่ได้พ่อแม่ไม่ซื้อให้ก็จะเป็นจะตายกุ้มอกกุ้มใจ อันนี้เราจิตใจอ่อนแอนไม่รู้จักหักห้ามใจไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจนะเอาคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเนี่ยนะเขาก็จะไม่อ่อนไหวอ่อนแอต่อสิ่งเยาโยนนะมันจะมาล่อมมาหลอกให้เขาซื้อเขาก็ไม่หวั่นไหวในเวลาไปห้างเนี่ยของแต่ละชิ้นมันชัวร์แล้วนะซื้อชั้นส่ซื้อชั้นสะ่นะของแพงๆทั้งนั้นโทรศัพท์ แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์เครื่องดนตรีกล้องถ่ายรูปนะมันก็จะบอกว่าซื้อชั้นสี่ซื้อชั้นสี่ซื้อชันอ้นแล้วก็จะเท่ได้ใช้ชั้นแล้วเนี่ยก็จะนะเป็นเป็นแมนหรือว่าถ้าผู้หญิงก็ถ้าซื้อชั้นเนี่ยจะสวยนะจะมีคนมาหลงชอบติดพันน่ะคนโง่จิตใจแน่ก็ยอมแต่คนที่เข้มแข็งนี่เขาไม่ยอม เขารู้ว่านี่มันมันหลอกลวงนะมันไม่ใช่ของแท้แล้วคนที่มีการศึกษาเนี่ยนะไม่ใช่แค่มีความรู้ในหัวเท่านั้นนะแต่จิตใจนะเข้มแข็งและก็มีคุณธรรมด้วยนะคุณธรรมที่สำคัญนะ คุณธรรมได้แก่ความซื่อตรงความเมตตากรุณาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นต้นหลวงพ่อรู้จักนะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะชื่อยุย้ยรู้จักมาตั้งแต่เธออายุสิบสองสิบสามาเธอไปหาหลวงพ่อที่วัดที่ผูหลงนนะไม่ใช่ที่นี่ตอนนั้นเธอป่วยแล้วก็คิดว่าจะอยู่ได้ไม่นาน เธอก็อยากจะรู้จักกับหลวงพ่อเพราะเคยอ่านอายุสิบสองสิบสามนี้อ่านหนังสือธรรมะแล้วนะแกก็อยากจะพบนะก็ เ, เลยรู้จักกันแล้วก็ติดต่อกันเลยมาเธอเคยมาที่นี่ด้วยตอนที่เธออายุสิบหกเนี่ยนะก็ประมาณมสามมสี่นะมันมีการสอบวิชาภาษาจีน ครูก็บอกนักเรียนตั้งแต่สามสี่วันก่อนสอบนะว่าถ้านักเรียนโกงหรือทุจริตในห้องสอบเนี่ยครูจะตัดคะแนนทุกคนเลยทั้งชั้นเลยคนละห้าคะแนนขนาดครูแบบนี้นะก็ยังมีเด็กบางคนนี่ทุจริตในห้องสอบนะครูจับได้พอครูจับได้ทาําไงหักคะแนนทุกคนเลยคนละห้าคะแนน ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้โกงนะก็โดนลูกหลงไปด้วยหลายคนก็ไม่พอใจเด็กคนนี้อันเด็กคนนี้ก็เลยไปขอทโทษขอพลอยนักเรียนทั้งชั้นเลยบางคนก็โกรธไม่ยอมรับคําขอโทษแต่ว่ายุ้ยไม่โกรธนะเด็กมาขอโทษยุย้ยยุยก็บอกว่าไม่เป็นไรชั้นไม่โกรธเธอเลยนะเพราะว่า ครูเนี่ยนะตัดได้แต่คะแนนแต่ความรู้ในหัวฉันเนี่ยนะครูเอาไปไม่ได้เธอสอบได้เป็นที่หนึ่งของชั้นนะได้ยี่สิบแปดคะแนนถูกหักไปห้าคะแนนหรือยี่สิบสามแต่เธอก็ไม่โกรธเพื่อนนะแม้ว่าเพื่อนทําให้ถูกแต่เธอก็ไม่โกรธเธอพูดดีนะบอกว่าครูหักได้แต่คะแนนแต่ว่าความรู้ ในหัวของฉันเนี่ยครัวไปไม่ได้ไอ้เรื่องนี้จะไม่เท่าไหร่นะี่มีคราวหนึ่งนะเธออย่างที่ว่าเธอเป็นเด็กเรียนดีนะได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดไปสอบอะไนสุดอย่างในกรุงเทพนะเป็นการสอบระดับประเทศเธอเป็นที่หนึ่งระดับจังหวัดนะแต่ว่าไอ้วันสอบที่กรุงเทพเนี่ยเธอไปไม่ได้ ก็เลยมีการสอบล่วงหน้าหนึ่งวันก็สอบในจังหวัดของเธอแะคือจังหวัดกาลสินเธอเป็นคนกาลสินปกติต้องไปสอบที่กรุงเทพนะแต่ว่านี่เธอไปสอบไม่ได้ก็เลยต้องสอบล่วงหน้าหนึ่งวันก็เลยให้ไปสอบที่จังหวัดเดียวกับของเธอเธอทำข้อสอบเสร็จก็ส่งกระดาษคำตอบให้ผู้คุมสอบอาจารย์ผู้คุมสอบเนี่ย ก็รู้จักเธอดีนะก็ถามว่าทําข้อสอบได้ไหมเธอบอกว่าได้นิดหน่อยนะเธอพูกแบบถ่อมตนอาจารย์ก็เลยถามว่าไม่ได้ข้อไหนอาา่ะเธอก็บอกว่าเนี่ยข้อเนี้ทําไม่ได้อาจารย์ทํำไงรู้ไหมอาจารย์เฉลยข้อสอบให้เลยนะข้อนี้ต้องตอบแบบนี้แล้วก็ให้ยังลบเธอะไปแก้ไปแก้ข้อสอบนะ ถ้าเป็นเราเราจะทำไหมยื่นข้อสอบไปแล้วยื่นกระดาษคาตอบไปแล้วนะแล้วก็อาจารย์นี่ก็เฉลยคำตอบให้แล้วก็บอกให้เธอเนี่ยไปไ ป, ไปแก้ไปแก้คำตอบยุยไม่ทำนะยุยปฏิเสธรุ ย, ยบางหนูไม่ทำแล้วเธอก็คืนกระดาษคำตอบให้ครูแล้วเธอก็เดินออกจากห้อง เธอให้ผลในภายหลังว่าถึงแม้เธอจะได้ที่หนึ่งนะแต่เธอคงแต่เธอก็จะไม่ภูมิใจหรอกนะเธอกลับจะรู้สึก อ, อับอายด้ยซ้ำนะเพราะว่าได้ที่หนึ่งด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องมันไม่มันไม่มีศักดิ์ศรีนะแล้วเธอก็บอกว่านี่ ถ้าจะได้ที่หนึ่งต้องได้ด้วยความสามารถของหนูเองนะไม่ใช่ด้วยวิธีการที่สกปรกนะบอกว่าเธอได้ที่สองนะเธอได้ที่สองนะถ้าเธอเนี่ยทาตามที่ครูว่านะนะเธอก็ได้ที่หนึ่งไปแล้วเธอได้ที่สองแต่เธอบอกเธอไม่เสียใจเลยเธอบอหนูภูมิใจนะที่ว่า คำตอบหรือคะแนนที่ได้เนี่ยมันได้มาด้วยความสามารถของหนูเองถือแม้ไม่ได้ที่หนึ่งหนูก็มีความสุขหนูภูมิใจที่เอาชนะออาชนะใจตัวเองได้อาชนะใจไงก็คือว่าในจิตใจคนเราก็อยากได้ที่หนึ่งนะแล้วโอกาสมันก็มีแล้วครูให้โอกาสแล้วเปลี่ยนคำตอบคาตอบครูก็บอกให้แล้วแต่เด็กไม่ทำนะยุ้ยไม่ทำ อันนี้เนี่ยอน่าสนใจมากนะถ้าพวกเราลองคิดดูนะถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์แบบเดียวกันเนี่ยเราจะทําไหมนะอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องของเด็กอายุห้าขวบนะชื่อปูนอันนี้เด็กกรุงเทพเด็กอนุบาลโรงเรียนอนุบาลของปูนเนี่ยนะเขาจะมีบอร์ดอยู่บอร์ดหนึ่งบอร์ดที่คือกระดานนะแล้วก็ นักเรียนคนไหนที่ทำความดีเชินขยันช่วยเหลือเพื่อนนะก็จะได้ดาวนะนักเรียนก็จะมีดาวติดนะนักเรียนหลายคนเนี่ยได้ดาวหลายดวงนะแต่ว่าปูนเนี่ยนะได้ดาวแค่สองดวงแม่เห็นแม่ก็ไม่สบายใจแม่อยากให้ลูกเนี่ยไนดะ้มีดาวเยอะๆ แม่ก็เลยไปไปไปบ่นกับครูว่าทําไมปูนเนี่ยได้แค่สองดาวปูทำอะไรไม่ปูนทำอะไรไม่ดีเหรอครูบอกว่าที่จริงเนี่ยปูนเนี่ยได้หลายดาวได้เพียบเลยนะแต่ปูนเนี่ยสงสารเพื่อนหลายคนที่ไม่ได้ดาวเลยปูนก็เลยเอาดาวแบ่งให้เพื่อนนะปูนก็เลยมีดาวแค่สองดวงน้อยกว่าคนอื่นเยอะ น้ำปูนนี่เป็นคนมีน้ําใจอายุห้าขวบนะ <_ an> เห็นใจเพื่อนนะ <_ an> เพื่อนเขาไม่ได้ดาวเลยสงสารก็แบ่งดาวให้เพื่อนบ้างถึงแม้ว่าตัวเองจะได้ดาวน้อยลง <_ an> ทั้งปูนแล้วก็ยุยนี่นะถึงแม้ว่าจะเป็นคนละจังหวัดเอาไว้ก็ต่างกันนะแต่ว่าเขามีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันนะคือว่าเขาไม่เขาไม่วันไว้นะกับ สิ่งที่เรียกว่าลาบยศสารเสริญลาบยศสารเสริญคนส่วนใหญ่เนี่ยอยากได้ที่หนึ่งทำไงก็ได้ขอให้ได้ที่หนึ่งโกงก็ได้นะเคยมีนักเรียนโรงเรียนหนึ่งนะโรงเรียนมัธยมมีชื่อมาในกรุงเทพเนี่ยครูเนี่ยจับได้ว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งเนี่ย โกงข้อสอบทุจริตในห้องสอบคือเอาข้อสอบมันลอกกันและที่ครูแปลกใจคือเด็กที่โกงเนี่ยนะเป็นเด็กเรียนดีนะเกรดเนี่ยนะก็ประมาณ 3.8 ไม่ใช่เด็กเด็กขี้เละนะไม่ใช่เด็กจวนตกนะ 3.8 ทั้งนั้นครูงงมากเลยไทำไมโกง ได้คำตอบว่าพ่ออยากได้สีนะ่เก่งแต่โกงนี่มีนะอย่าไปเชื่อเก่งแล้วไม่โกงนี่อาเนียอันนี้ไม่จริงนะเก่งแต่ว่าถ้าไม่พอใจนะในสิ่งที่ตัวเองได้แล้วก็ถ้าจิตใจอ่อนไหวนะอยากได้คำชื่นชมสรรเสริญ ก็อาจจะหลงผิดนะทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคือชักจิตอยากได้สี่นะเพราะว่าอยากได้คํายกย่องสรรเสริญจากครูจากพ่อแม่หรืออะไรก็ลแล้วแต่อส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะไม่ว่าเด็กเรียนเก่งหรือเด็กเรียนไม่เก่งนะแต่ว่าอย่างยุ้ยกับปูนเนี่ยนะเพรเป็นคนที่เรียกว่าเขาไม่หวั่นไหวนะต่อคําสรรเสริญ คนหนึ่งเนี่ยยืนยันในการทำสิ่งที่ถูกต้องนะแม้ได้ที่หนึ่งแต่โกงฉันไม่ทำได้ที่สองฉันภูมิใจกว่าอีกคนหนึ่งนะก็อยากจะช่วยเพื่อนนะระหว่างการช่วยเพื่อนกับ ก, บการได้ดาวเยอะๆเนี่ยฉันช่วยเพื่อนดีกว่านะได้ดาวเยอะๆนะแต่ว่า ไม่มีน้ำใจกับเพื่อนเนี่ยฉันไม่ทําอย่างนี้แล้ว่าเป็นคนมีการศึกษานะทั้งสองคนเนี่ยนะต้องเรียกเป็นผู้ที่มีการศึกษาอาการศึกษาในที่นี้เนี่ยไม่ได้แปลคำว่เาเรียนเก่งนะแต่หมายถึงว่ามีคุณธรรมคุณธรรมคือว่ายึดมั่นในความถูกต้องไม่โกงไม่ทุ่จริตแม้มีโอกาส คุณธรรมหมายความว่ามีน้ำใจเ อ, อื้อเฟือ้อเผื่อแผ่นี่ถ้าเราถ้าเราจะเป็นคนมีการศึกษาเนี่ยเราต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้แหละนะถึงแม้ว่าทุกวันนี้เนี่ยคนในสังคมเนี่ยเขาจะเขาจะ ยอมโกงยอมทุจริตนะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็คอร์รัปชันนะเพราะว่าอยากจะสอบเข้าให้ได้มันงอยากจะได้คะแนนดีบ้างหรืออยากจะร่ำรวยก็ตามนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นไปทั่วนะแม้แต่จบปริญญาเอกนะก็ยังโกงนะหรือว่าไม่มีน้ำใจ บางทีถึงกับทำร้ายผู้มีพระคุณอย่างพวกเราจะเคยได้ข่าวเมื่อสองสามเดือนที่แล้วนะมีมีข่าวว่านักศึกษาไทยไปเรียนต่อที่ประเทศอเมริกาใช้ทุนรัฐบาลนะจะใช้ทุนได้เนี่ยมัน ก, ก็ต้องมีคนเซ็นรับรองเพราะว่าใช้เงินไปสิบล้านเนี่ยในการไปเรียนต่อก็มีอาจารย์แล้วก็มีเพื่อนช่วยเซ็นรับรอง คือว่าเมื่อตัวเองกลับมาเมื่อตัวเองเรียนจบก็จะต้องกลับมารับใช้ทุนก็กลับมาใช้ทุนกลับมาทํางานใช้ทุนปรากฏว่าตัวเองเรียนจบปริญญาเอกแล้วไม่กลับมาปรากฏว่าคนที่เซ็นรับรองนะต้องใช้ทุนเองนะต้องใช้ทุนแท Ь นสิบล้านนะแล้วมันมีกฎว่าถ้าถ้ากลับมาถ้าไม่กลับมาเนี่ยทุน การใช้ทุนจะเพิ่มเป็นสามสิบล้านคือสามเท่านะเอาไปสิบล้านแต่ท่าไม่คืนนะไม่ใช้คืนเนี่ยมันจะเพิ่มเป็นสามสิบล้านมันก็มีเรื่องแบบนี้นะถึงมาจบปริญญาเอกแต่ว่านอกจากไม่ทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้แล้ว ย, ยังปล่อยให้ผู้อืาคุณเนี่ยเช่นครูบาอาจารย์แล้วก็เพื่อนเนี่ยต้องลำบาก นะเดือดร้อนแทนมกว่าจะใช้ทุนเสร็จนะโหยเกือบสิบปีนะโดยที่ไม่ไม่ได้รู้อิโนอินเน่อะไรเข้าเลยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะจากทุนที่ให้กับนักศึกษาคนนั้นอย่างนี้เราเลือกไปพูดมีการศึกษาไม่ได้นะถึงแม้ว่าจะจบปริญญาเอกจากหมาหาวิทยาลัยที่มีชื่อ หรือถึงแม้จะทำงานเป็นอาจารย์นะในหมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอย่างฮาร์วาร์ดประเทศอเมริกาในทางตรงข้ามถึงแม้ว่าเราจะเรียนจบแค่ม6ม3นะหรืออาจจะเรียนไม่จบเลยแต่ว่าเราเป็นคนมีน้ำใจมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความภาคเพลิยพยายามด้วยน้าพักน้าแรงของตัวแม้อยากจะมีชื่อเสียงแม่อยากจะได้คำยกย่องหรือแม่อยากจะรวยนะแต่ว่าก็ต้องอาศัยน้าพักน้ำแรงของตัวเองจะต้องทำด้วยความซื่อสัสตย์สุจริตนะอย่างนี้แหละจึงเลือกไป็ผู้มีการศึกษานะชาว บ, บ้านนะ ปู่ย่าตา ย, ยายพ่อแม่ของเราบางคนก็เป็นชาวนาบางคนก็เป็นชาวไร่นะก็เป็นผู้มีการศึกษาได้นะถ้าเป็นคนนะมีน้ำใจมีความเสียสละนะไม่คดโกงมีความซื่อสัตย์จริตอันนี้สำคัญนะสมัยนี้มันมีสิ่งที่ยั่วยวนให้เราเนี่ยทำทุกอย่างนะ เพื่อจะได้เป็นที่หนึ่งนะเพื่อจะได้มีชื่อเสียงนะเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็จะมีสิ่งโยอยุเราใครที่เล่นเฟซบุ o กเนี่ยนะก็อยากจะให้เพื่อนกดไลค์ทำยังไงก็ได้เพื่อให้เพื่อนกดไลค์นะบางทีไปก๊อบคนอื่นมานะก็ให้เพื่อนกดไลค์ อันนี้เรียกว่าอยากได้หน้าตาอยากได้ชื่อเสียงเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยเป็นเป็ น, ปนาตสิ่งเหล่านี้มากจนกระทั่งยอมทำผิดยอมทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรืออีกประเภทนึงคือว่าแม้จะทำถูกไม่ได้โคดโกงนะแต่ไปยึดติดถือมั่นกับมันมากถ้าเพื่อนไม่กดไลค์กินไม่ได้นอนไม่หลับนะมีนะเดี๋ยวนี้เวลาอัปอโหลดอะไรขึ้นเฟ e b o o k เป็นภาพก็ดีเป็นข้อความก็ดีถ้าเพื่อนไม่กดไลค์หรือกดไลค์น้อยนี่ก็จะเขียนข้อความไปทางไลน์บอกเพื่อนเพื่อมาช่วยกดไลค์ให้หน่อยกดไลค์ให้หน่อยเนะพอรู้สึกว่าคุณค่าของตัวเองเนี่ยมันอยู่ที่จํานวนไลค์อันนั้นไม่ใช่นะคุณค่าของคนเราเนี่ยมันไม่ได้ที่จํานวนไลค์ไม่ได้ที่คํายกย่องสรรเสริมไม่ได้ที่คุณธรรมนะความมีน้ําใจ เมื่อประมาณเจ็ดสิบปีนะมันมีแข่งอยูโอลิมปิกนะมันมีตัวเก่งอยู่สองคนนะคนหนึ่งเนี่ยชื่อนูมิอยู่ประเทศฟินแลนด์อีกคนหนึ่งชื่อดูเกสประเทศฝรั่งเศสวิ่งมาราทอนสามพันสามพันเมตรน้องสามกิโลนะสามกิโลก็ไม่ได้มันก็มันก็ น, กน้องน้องมาราทอนน่นนะคนแรกเนี่ยนะ ดูมเนี่ยก็วิ่งนําปรากว่าอยู่ดีๆเกิดไปถึงเกิดประมาณไปได้ค่อนทางแล้วลม้มนะแล้วก็นาฬิกาตกนะตอนนั้นมันก็เป็นทางวิบากกันนะเย๊ก็ต้องหานาฬิกาให้ดูเกสเนี่ยวิ่งตามหลังมานนะแทนที่จะโชว์อากาสวิ่งเลยไปนะหยุดนะประคองเพื่อนเพื่อนหกล้มเนี่ยช่วยประคองเพื่อนแล้วก็ช่วยหานาฬิกาให้ หาจนเจอนะถ้าเป็นคนอื่นนะวิ่งเฉยแล้วได้โอกาสแต่ว่าดูเกศนี่ก็มีน้ำใจนักกีฬา ม, มากอุตส่าห์ช่วยเพื่อนประยุงเพื่อนหานาฬิกาอพอหาเจอนะอเจ้าของนาฬิกาก็ก็ยอดเหมือนกันนะแทน่จะวิ่งเลยไปเลยนะก็ไม่นะวิ่งตามดูเกศไปเพราะถือว่าเนี่ยเขาช่วยเรานะ เราจะเฉลยวอกาสวิ่งแซงเขาก็ไม่ถูกก็วิ่งวิ่งคู่กันไปเลยพอใกล้เส้นชยัยต่างคนต่างเกลียนกันอดูแกสบอกนูมิว่าอขึ้นแซงไปเลยอนูมิก็บอกว่าดูกแกสแซงไปเลยนะนี่ดูด้านน้ำใจนะน้ําใจคือชายชนะไม่สําคัญสำคัญที่น้ําใจนะต้องช่วยกันอันนี้ไม่ใช่เรื่องเจ็สิบปีที่แล้วนะเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่งนะก็มีแข่งสักกีกันนะ แข่งสกีตัวเก่งเนี่ยแคนาดาชื่อชื่อชื่ออ่านยากนะอีกคนหนึ่งนอร์เวย์ไอแคนาดาเนี่ยนะแข่งกําลังแข่งไปแข่งมาบอกว่าไม้ค้ำสกีหักสงสัยจะหักทั้งสองข้างเลยนะเพราะว่าสกีบางทีมันมันชันมากเนี่ยน้ําไอไม้ค้ำสกีเนี่ยมันมันทนน้ําหนักไม่ไหวมันก็หักของแคนาดานะ ให้ของนอร์เวย์ที่ตามติดมานะเขาทำยังไง ร, รู้ไหมเขายื่นไม้ให้ข้างเอาแบ่งกันใช้คนละคนละอันนะแล้วก็ปล่อยให้แคนาดาเนี่ยซึ่งทำไม้หักเนี่นะเข้าเส้นชัยให้นอร์เวย์นี่ก็ได้ที่สองแต่เขาไม่เสียใจยนะมีคนถามว่าทำไมทำไมไปช่วยเขาทำไม แคนาดาวิชิ่งเขาทาไมมันเป็นคู่แข่งของเราทําไมไม่แซงไปเลยนะเขาบอกว่าชัยชนะนะมันจะมีความหมายอะไรนะถ้าเราไม่ช่วยคนที่ควรช่วยนะเห็นคนก็เดือดร้อนอยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยเราก็ต้องช่วยเขานะไม่ใช่แซงก็ไปเลยนะอย่างนี้เรียกว่ามันไม่แฝงนะไม่มีน้ําใจนักกินลาเห็นนหะคุณธรรมเนี่ยนะ คุณธรรมเนี่ยมันก็สามารถจะหาได้นะจากการแข่งขันการแข่งขันไม่ใช่ว่าเอาชนะเอาชนะทุกวิดีทางสมัยนี้นี่แม้แต่ขระทั่งโกงก็เอาแต่กรณีที่วานี้ไม่ได้โกงเลยนะแต่ว่าเป็นความซวยของตัวเต็งเองนะแต่แทนที่คนที่สองเนี่ยจะโชยโอกาสนะไม่มีคำว่าโชยโอกาสช่วยเขาดิต้องช่วยเขานะ แล้วก็ภูมิใจนะทีสองฉันก็ภูมิใจว่าฉันได้ช่วยเขาแล้วรู้ไหมไอ้คนที่ช่วยนั่นแหละนะมันเป็นที่รู้จักมากกว่าคนที่ได้ชิ้นหนึ่งอีกนะเพราะว่าเขาประทับใจนะคนประทับใจโอ้โหนี่มันมีน้ำใจมากเลยนะชัยชนะเป็นรองนะคุณธรรมต้องมาก่อนอันนี้แหละเป็นเรื่องผู้มีการศึกษานะพวกเราเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยถ้าเรามี คุณธรรมแบบนี้ใจเราก็ใหญ่นะอาจจะใหญ่กว่าผู้ใหญ่เนะี่ยที่ไม่มีคุณธรรมโนะคดโกงหรือว่าฉวยโอกาสก็ได้ในการมาบวชนะเรียนที่นี่ไม่ว่าจะนุ่งเลื้ยงโฮมคลาวเนี่ยมันคือโอกาสที่เรามาศึกษามาฝึกฝนตนขัดเกลาตนเพื่อได้เป็นผู้มีการศึกษาที่แท้จริง พวกนี้เรากลับบ้านกันแล้วนะก็อย่าลืมนะการศึกษาที่แท้จริงมันอยู่ตรงนี้ด้วยไม่ใช่แค่มีความรู้ไม่ใช่ว่าสอบได้คะแนนดีมันต้องมีคุณธรรมมีน้ำใจมีความซื่อสัตย์สุจริตนะมีความยึดมั่นในสิ่งถูกต้องแล้วถ้ามีสิ่งนี้ไว้ในใจเนี่ยชีวิตนี้ก็จ ะ, ะประสบแต่ความสุขนะทั้งสองคนนะยุ้ยก็ดีนะปูนก็ดีก็เป็นคนที่มีความสุขนะ พราะเขาได้ทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็นักกีฬาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดูเกสชาวฝรั่งเศสหรือว่านักเล่นสกีชาวนอร์รเวย์นี่เขก็มีความสุขนะความสุขเนี่ยเพราะได้ทําความดีเนี่ยมันมีมันมีคุณค่ามันน่าภาคภูมิใจกว่าความสําเร็จที่ได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องเอาละคัมเนลเบอร์โทนีนะกลับมา